เพชรเรียกพ่อบ้านกลับบ้านพ่อบ้านไม่ค่อยเข้าบ้านเมียขี้บน่นมันรำคาญมันก็ไม่ได้ไปเที่ยวเกเรอะไรหรอกไปทํางานกลับค่ำหน่อยเมียก็บน่นนอกจากบ่นแล้วมันยังด่าด้วยมันรําคาญมันก็ไปหานอนอยู่บ้านเพื่อนบ้านปู๋งอะไรไปเมียเกิดเดือดร้อนขึ้นมาว่าผัวไม่กลับบ้านไปหาหนายสิงค์คำลูกศิษย์ที่เคยบวชอยู่ในวัด ไปถามว่ามีของดีไหมของดีอะไรจะเอาไปทำไมพ่อเด็กน้อยมันไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่ช่องอ๋อมีไอสิ่งมันไปควักเอาสีพึ่งสีปากอยู่ในเชียนหมากแม่มันใส่ตลับให้แล้วบอกว่าอันเนี้ยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็ไม่กลับเฮียให้ปฏิบัติยังไงก็ได้ทั้งนั้นน่ะถ้าสมมติว่าเขามาบ้านแกอย่าบ่นอย่าว่าเขา พอเขามาวันหนึ่งเท่านั้นแหละต้อนรับขับสู้เขาให้ดีพอวันหลังมาเขามาแล้วเราไม่บน่นเขาจะต้องมาบ้านแน่ๆเราก็อาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวไว้ให้ลูกให้เต้าทำกับข้าววางไว้ที่โต๊ะอาหารพอเขามาก็รับสิ่งรับของจากมือเขาแล้วก็ยืนลูกให้เขาอุ้มพอเขามานั่งก็ช่วยถอดถุงน่องรองเท้าให้เขาแล้วชวนให้เขาอาบน้าชวนรับประทานอาหาร แล้วก็สีพึ่งเนี่ยก็ไปสีปากเสียให้ดียิ้มเก่งๆก่งห6วันหลังไปบอกว่าไอเฮียสีพึ่งเนี่ยไปได้มาจากไหนทำไมดีวิเศษนักหนาเธือปฏิบัติถูกต้องไม่ด่าไม่บ่นเขาเขาก็ต้องกลับมาบ้าน